วันนี้มีการสวดมนต์2ครั้งพาหุณ์เช้าแล้วก็เย็นเจ้าอาจารย์สังนำสวดพาหุง์เย็นสวดพาหุณ์สองครั้งก็ข อ, อถือเป็นวันพระก็สังเกตโดวยลวลาสวดแล้วก็ไม่ต้องแปล มันก็ไม่ได้รู้ภาษาแต่ว่าสบายรู้สึกใจสบายก็ได้สวนแล้วสบายมันไม่ดงปฏิความก็สวดไปฟังเสียงเป็นสมาธิไปเหมือนเราฟังเพลงต่างชาติ <S S S S เพลงฝรั่งเพลง <S S S S จีนเพลงสากลหลายประเภท เราลึกสบายใจทั้งนี้น ฟ, ฟังภาษาไม่ออกไม่รู้เรื่องเรามีจิตใจจดจ่อเป็นสมาธิ <Yeah. S 1> มันไม่ต้องใจความคิดแล้วมันก็สบาย <Yeah. S 1> การนำธรรมวัดรจดมันที่นี่ก็ทุกคนสามารถนำธรรมวัดได้หมด <Yeah. S 1> สุกโตสเสน่ยอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าทุกคนมีความรับผิดชอบแล้วก็ สมาธิแสดงออกได้ทันทีการทำวัดเวลาคนหนึ่งไม่มาอีกคนนึงก็นำอีกคนหนึ่งไม่มาอีกคนนึงก็นำเป็นเสนสุขโตเจอว่าสถาบันนี้จะไม่ล้มหายตายสูญไปไหนอีกนานเท่านั้นหลายที่พราะครูบาอาจารย์ไม่อยู่เช่น ขอไปขอเอืยนม้มนิดนึ่งสวนโมกตอนนี้กำลังบุ่นอยู่เหมือนกันนะกลังนี้มาลงความเขียนไปลงความเขียนก็ลีลีอ ล, ลอย อ, อยูนะ่หลังจากที่ตาอาจารย์พูดแทนะ้หมดไปแล้วนะหรือว่าหลายที่นะบางที่กุฏิปฏิบัติกุฏิกรรมฐานกายกายเป็นนะที่อยู่ของนักเรียนนะเป็นหอพัก ก็มีอยู่แต่ว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อที่ไหนแต่มีแน่ๆ <Yeah. S 1> พอผ่านไปเห็นรองเท้าแขวนอยู่ <Yeah. S 1> เห็นชุดนักเรียนแขวนอยู่ <Yeah. S 1> ตากชุดทั้ไนไนบ้างอะไรบ้างเราเห็นอยู่นะั <Yeah. S 1> คือความเปลี่ยนไปเป็นความเสื่อม <Yeah. S 1> เสื่อมอย่างหนึง่งไปจเจริญอีกอย่างนึงจเจริญอีกอย่างนึงก็เสื่อมอย่างนึ่งเป็นอย่างนั้น <Yeah. S 1> แต่ที่นี่เหมือนกับแม่ปาช่อน เลี้ยงลูกแม่ปราช่นเลี้ยงลูกับรักลูกเคยเห็นพฤติกรรมของแม่พาชนในสารนี้ก็มีให้ดูช่วงฝนตกใหม่ๆจะมีลูกคอกก็อีสานก็ชอบจับเอาลูกคอกไปเป็นเป็นด้นะแล้วก็ไปแกงใส่ผักบุงเวลาต้มน้ำร้อนเอาผักบุงหั่นเป็นท่อน มันก็จะมีร่องมีรูรูลปลาช่อนพะน้ำเริ่มร้อนก็วิ่งเขาอยู่ในผักบุ้งถือว่าเป็นอาหารจันเลิศแม่ปลาช่อนนี่เวลาเลี้ยงลูกในพานก็เอาเบ็ดมาย่อนแม่ก็ฮุบเหยือ่อลูกก็มีปลาช่อนตัวอื่น มาดูแลต่อทันทีเป็นธรรมชาติของปลาที่มันมันเห็นแล้วมันเกิดความสงสารห่วงใยปกป้องคุ้มครองท้ายสุดกันในพานจับไปอีกตัวใหม่มาเจอกลี้ยงดูลูกทันทีอันนี้มันเหมือนกับสุกโตนี่แหละทุกคนก็แสดงออกหน้าที่เลือกกรรมฐาน มันเป็นการแสดงออกเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าที่มันสามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนต่อคนอื่นจะห่างไปแล้วมากมายเหลือเกินนี่แหละคื อ, สอนเสน่หของคนที่ปฏิบัติธรรมมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้จักชุมชนรู้จักกาลาเทศะมากมายเหลือเกิ น, นว่ารู้จาักกายใจของเราเนี่ยแน่ชัดเลย รู้จักรูปรมนำทมผ่านความรู้เนื้อรู้ตัวที่ทำกันมาทั้งวันเมื่อชามีพระรูปหนึ่งก็ถามว่าเป็นไงบ้างมอโหอาจารย์ผมปฏิบัติธรรมเนี่ยร้อนผ้าเหลืองจริงๆกรรมาฐานเข้มที่แกรกก็เดินอยู่ ใ, ใกล้กับหลงพ่อแก่เข้ามาเยอะเหลือเกิ น, นก็หลบก็ไปในป่าพอเดินไปเดินมา มันร้อนมันอยากโทรศัพท์หาลูกอยากโทรศัพท์ไปหาคนรักห่วงใยมันก็ต่อรองกันข้างในนั่นแหละมันร้อนไม่ได้โทรศัพท์เนื้อร้อนหน้าดูเสรจแล้วก็ช่างใจโทรไม่โทรสัญญาณก็ไม่มีสัญญาณไม่มีก็เลยเดินเดินเดิ น, ดนหาคื่นมันหลงความรู้สึกตัวมันไม่ได้เดินจงกลมไม่ได้นางสร้างจังหวะ เมื่อทำตามอารมณ์ตายสุดก็รู้สึกร้อนอยากจยาะสึกอยากจะสึกอยากจะไปยนหนีกาแพงออกไปเดินข้างนอกมันร้อนจริงๆมันไม่รู้สึกตัวเจร่าลมเอ็พาไปหาคลื่นโทรศัพท์พอได้โทรแล้วรู้สึกมันสบายรู้สึกเออมันค่อยๆความร่มร้อนลดลงลดลงลดลง ก็เลยบอกันแหละให้อาหารมันมันก็เหี่ยวละกัเนี่ยก็อย่างที่รเช้าบอกเอาไว้ว่าเออบางทีเราก็ต้องยืดย่นมันนิดนึงไปหักตั้มปลาได้เก่าวาทีมก็ไม่ไหวกิเลสมันรู้สึกว่ามันมีกำลังมันมีอานาจมันขาดอาหารมันก็แสดงตัวชัดเจนประชดประชันทันทีเราก็โซมันไม่ไหวความรู้สึกตัว ก็ได้เตือนตัวเองสอนตัวเองบอกตัวเองว่าเพื่อน่ายกพูดกับตัวเองหยาบมากนะแต่ว่าตอนนี้ไม่นําเสนอก็เรียกว่าขึ้นมึงขึ้นกูกันเลยกับตัวเองนะเอออาวุธมาบวชตั้งใจมาบวชตั้งใจจะอยู่แค่ปีเดียวแะ่ท้ายสุดโอ้มันทําท่าจะไม่ไหวร้อนปลาเหลืองมันก็สะกดตัวเองนะ ดาตัวเองกระชับตัวเองดีกลอกก็ตัวเองมายิงตีก็ยิงดินก็คงเกิดกับทุกคนะนะั่นแหละผมเลยแตมากเคยเป็นอารมณ์เก็บอารมณ์ขณะที่มันเกิดขึ้นเนีมม่ยโอ้โหนแรงมากนะเราก็ศรัทธาเรามีความเชื่ออยู่แล้วว่าความรู้สึกตัวมันพาไปสู่ฝั่งพระนิพพานแน่นอนเชื่ออย่างนั้นเต็มร้อยเลย แต่เชื่อแบบไม่ได้โง่หลงงมงายแต่เชื่อแบบต้องลงมือกระทําพิสูจน์็จะล้มก็เดินจงกรมนั่งสร้างจังหว้ทางนไรมาร่วมคืออะไรแต่รู้สึกตัวเวลากระทบสัมผัสจะจับได้อยู่แต่ไม่รู้ไอ้ตัวไหนมันคือตัวสติรู้อยู่อไอ้สตินั่นคือรู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวและตัวสติมันคือตัวไหนก็นคิดหาคิดเห็น ความเป็นปกติมคือตรงไหนรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยมคืออะไรไม่เคยรู้จักแต่ว่ามันมีป้ายอยู่คํานึงที่จําไม่ลืมก็คือคนเลี้ยงไก่ที่ไหนใครเลี้ยงเปล่าทุกเม็ดข้าวหวังไข่เนื้อไปเมื่อหน้าคนเกื้อกูลแกเราเข้าตำราต้องขาดหน้าสิ่งสนองต้องระวังเลยเห็นคุณของข้าวของน้าําของวิถีชีวิตมาใสยอยู่นะ อยู่ไปวันๆไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรคำนึงคำนวณดูแล้ววันละหลายหลายตังกินข้าวชาวบ้านต้องใส่กรรมฐานลงไปทดแทนลงไปมันถึงจะคุ้มค่ากันก็คิดอย่างนั้นจะทําไปทําไปมันก็ร้อนขึ้นมาห่วงคนลักห่วงลูกห่วงห้านห่วงบ้านห่วงทรัพย์ห่วงการห่วงงานห่วงพ่อห่วงแม่มันก็คิดไป สารพัดสารพันออกนอกกรรมาฐานจนทนไม่ไหวนั่นแหละก็ <c oughs> เป็นเหมือนกันเจ้ทาทะมันมีความรู้สึกเออจะต้องโทรไปถามกันหน่อยละอยู่เย็งเป็นสุขกนดีหรือเมื่อก่อนมันไม่มีรั้วมันไม่ต้องคิดว่าจะต้องปีนรั้วปีนกำแพงอะไระ <c oughs> เพียงแค่เราเก็บรมเราก็ต้องเดียกแม่ออกทางประตูหน้าก็แล้วก็แหละก็ต้องหาแหวกป่าย่คาออกไปทางด้านหลังทางไม่มีหรอกสมัยก่อนทางรอบมัดไม่มี พอลงจากกูสิบไปก็เป็นป่าป่ายาคาก็ต้องลุยไปด้นเดาทิศทางโดยมันอ้างว่าเดินไปไหนทําอะไรก็เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสติเท่านั้นแลละมันให้เหตุผลอย่างนั้นเออเขา้าใอยู่แล้วพอเดินจากทางจงกรมออกไปนิดเดียวนะมันคลายปุ๊บออกไปเลยนะอารมณ์ที่มันเพง่เพงๆจ้องๆหนักๆร้อนๆมันสบายผ่อนคลาย แค่ได้อาหารมานิดเดียวสบายเลยทันทีแล้วเออมันสบายนนะแต่ไม่รู้ว่าที่มันหลุดมันหลุดเพราะสภาวะที่มันไม่เพลงไม่เพล๋อยังไงไม่เข้าใจแต่รู้มันสบายแล้วก็เดินเล่นไปยิ่งเดินยิ่งสบายพอออกไปโทรศัพท์ตอนนั้นแหละมันเกิดความโกรธขึ้นมาเต็มที่ไม่รูมพุ่งมาทิศทางไหนกับมันแต่รู้ว่าเออมันไม่ปกติซะแล้ว หลังจากที่ได้ยินเสียงฟังเสียงสติรู้ไม่ทันผัสสะรู้ไม่ทันการเคลื่อนไหวของกายตัวรู้ยังไม่เข้มแข็งแต่พอไปเจอลมปั๊บมันก็นเลอะเทอะทันทีตัวมันก็โตขึ้นมาความกวโกรธโตสะบันดาลโตสะแสดงตัวทันทีเครื่งเครียดผูกกดเดินกลับมาก็ติดอารมณ์กลับมาตอนนี้พอย้อนกลับไปดูเลยเข้าใจว่าทํำไม่ องแห่งความเพี่ยนถึงให้มีนะอันดับแรกก็คือไม่ไปรับอารมณ์นะให้มีลักษณะของการปิดกั้นอารมณ์ไม่ให้เข้ามาเพราะว่าขณะที่เรากำลังฝึกความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวอารมณ์ข้างในนะมันคืออารมณ์ที่เราจะต้องรู้จักมันแถ้าหากเราไปรับอารมณ์ข้างนอกอันนี้แหละมันจะเป็นอารมณ์ที่ ของเก่าก็จะมาเดาออกของใหม่ก็ทวีคูณก็ไปมันก็แบกนะภาระเกินความจำเป็นนะพอกลับมาแป๊บเรามาเดินจงกรมนั่งสร้างจังหวะเดินทีไรมันก็คิดถึงเรื่องใหม่นี่นแหลนะความคิดใหม่อารมณ์ใหม่ที่ไปเลื่เธอมาติดเปื้อ น, น, น, น, น, นมปนะคิดแป๊บมันก็ไม่รู้มันก็โกรธขึ้นมาอีกเสนะ็จแล้วมันก็หายไป คิดแป๊บอาโกรธขึ้นมาอีกแล้วมันก็หายไปอย่างเงี้ยตอนที่หายไปเราก็ไม่ร่วมเกิดเลยขึ้นแต่ร่วมมันเกิดขึ้นมาเมื่อกี้เราปกติอยู่เดี๋ยวนี้เรามีอารมณ์เปลี่ยนไปทําไมตัวกโกรธหรือว่าอารมณ์ที่เป็นลบ ม, มันเกิดขึ้นมาตอนไหนอย่างไรมันก็เริ่มสังเกตแล้วเลยเอ๊ะเราปกติอยู่ก่อนลงฐานไปไหนก็ปกติอยู่ทําไมพอเดินไปเดินไปนะมันโกรธขึ้นมาหลังจากที่ความคิดเกิดขึ้นมาเอ๊ะ ความคิดทำไมมันเกิดขึ้นมาได้งไงเมื่อเกิดคำถามขึ้นมามันมันสังเกตว่าเออคิดแล้วโกรธคิดแล้วโกรธตอนนี้เราเดินอยู่แต่ทำไมมันคิดแล้วโกรธเอาไปามาคือมันเริ่มรู้ทันอารมณ์มันมีความรู้สึกที่กายอยู่ตัวหนึ่งแต่พอแวบคิดเอาโกรธขึ้นมาพอรู้สึกตัวที่กายเอามันก็แฟบลงไป แต่พอเผลอจากความสึกทิกายออกเข้าไปในความคิดปรุงแต่งโกรธเกิดขึ้นมาเงี้ยมาเกการชักกะเยอะขึ้นมาปรับไปปรับมากระโดดไปกระโดดมาไม่เห็นสภาวะของปกติเวลาโกรธแล้วก็อารมณ์มันเหี่ยวลงไปมันก็1 9 9 8ก้าแปดเจดหหสี่สสองนแล้วพอมันศูนย์มันปกติดีอ่เดี๋ยวมันก็คิดแล้วก็ปรุงก็บวกขึ้นมาอีกหนึ่ง6 7 8สามเด้ มนมีอารมณ์จากหนักมาเบาแล้วก็บาไปหนักหนักมาเบาเบาไปหนักนพอเรากลับมารู้สึกตัวที่ฐานกายเออมันก็ไม่ได้คิดอะไรนะนมาเริ่มสังเกตอ๋อนะมาเริ่มเองใจขึ้นมาอารมณ์โกรธรูนะท้ทันทันทีมันจบทันทีแต่ว่าความรู้สึกที่กายนะขณะที่มันยังมีเลือดลมแผ่ซ่านลมหายใจที่หยาบ ความร่วมร้อนที่มันแสดงออกมาอันนี้ใช้เวลานิดนึงเมื่อสังเกตได้แล้วถึงว่าความคิดนี่ดับทันทีแต่ว่าร่างกายเนะี่ยต้องคอยอย่างนี้นะร้สังเกตได้ทันทีว่าแสงไฟฝัดเสียงข้างในภายในก็เหมือนกันมันสังเกตทันทีว่ารูปภาพความคิดนะซึ่งเป็นรูปภาพเป็นแสงนะภายในจิตของเราเนี่ยนะเรียกว่านามรูปนะมันปรากฏออกมามันเกิด เร็วไวนะมากกว่าสมมติบัญญัติก็คือลักษณะของใครนะคนที่เราเห็นคือใครอ๋อคือชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อ น, อน้นอะย่างเงี้ยไอ้ชื่อเนี่ยจะตามมานะแต่ว่าภาพเนี่ยปรากฏมาก่อนก็เรียกว่าแสงไวไฟเสียงมันกันภายในอย่างเงี้ยเราก็เริ่มอ่านแล้วว่าอ๋อมันมีอาการธรรมชาติที่ปรากฏออกมาทุกครั้งที่เผลอนะไม่สัมผัสรู้ที่กาย ธรรมชาติอีกตัวมันก็ซ้อนขึ้นมาทันทีพอหลงปับ๊บปรุงทันทีพอปรุงปับ๊บเกิดอารมณ์ทันทีก็เรียกว่าอาวิชชาทำให้เกิดสังขารปรุงทันทีความไม่รู้นะเข้าไปในความคิดปรุงทันทีสังขารทำให้เกิดวิญญาณเราจะรู้สึกทันทีว่าเออมันเกิดอารมณ์ต่อเนื่องจนกระทั่งมันปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้นะ พอสังขารเกิดขึ้นมาปับ๊บนะวิญญาณรู้ทันทีนะเออมันไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาซะแล้วนะนะมันไม่ปกติซะแล้วนะเกิดการปรากฏทันทีนะเป็นลณะของความคิดปรากฏเป็นนามรูปทันทีนะพอนามรูปปรากฏปันะ๊บมันก็หลงเผลอเข้าไปอีกปรุงเข้าไปนะต่อๆสืบเนื่องกันไะป เมันก็มีรูปภาพเห็นสัมผัสได้ทันทีอย่างี้ตาตาโอูจะบกเล่นเหมือนกำลังปรากฏขึ้นมาแต่ว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่ว่ามันสัมผัสได้ภายในว่าเออมันมีอยู่ข้างในเป็นอาการของนามธรรมมันไม่ใช่รูปธรรมมันก็ไปต่อต่อต่อต่อต่อต่อเกิดความพอใจไม่พอใจสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเขาเรียกวเวทนาเวทนาปรากฏขึ้นมา เราก็เริ่มจับได้ว่าอ้อมันก็มีอยู่สองตัวนะระหว่างตัวรู้กับตัวหลงนะพอรู้สึกตัวตัวสติมันก็เป็นการรเลิกครูอะไรที่มันเกิดขึ้นมาที่มันไม่ใช่นะกรรมาฐานนะมันก็จะกลับมาหาฐานทันทีนะรู้สึกที่ฐานกายฐานกายฐานกายอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประโยชน์ทันทีนะก็คือนะทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวตัวรู้ปรากฏก็ทําหน้าที่ไม่เข้าไปในความคิดอย่างเงี้ย เรงความรู้สึกตัวที่ฐานกายเนี่ยเรียกว่าสุดยอดนะกายเวทนาอยู่ที่กายจิตก็อยู่ที่กายธรรมชาติต่างๆก็ปรากฏที่กายเนี่ยแหละเราสัมผัสรับรู้ความรู้สึกตัวตนะัวสะพานกายก็ท้ารู้จักกายเวทนาจิตทรเนี่ยแหละคือความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวกลางนั่งที่กอดเนี่ยก็กอดนะสีกาในความรู้สึกก็คือ คิดว่าเขาน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วนะเรียกว่ามีชูนะ้มีมชู้มันก็น่ากรดนะอะไรกันอะไรกันนะนะทําไมไม่ดูแลงานไม่ดูแลบ้านไม่ดูแลแลูลกนะมันก็มีความรู้สึกคิดปรุงไปแบบนั้นทั้งๆทงี่เราคิดนะมันก็เกิดอารมณ์ทันทีถึงขั้นศึกเลยนะทั้งๆ ท, ท, ที่เราแต่งผ้าเหลืองก้นหัวอยู่กนะ้คนคิ้วนะแต่ว่าก็หยิบปืนไปยิงเรียบร้อยแล้ว มันเกิดขนาดนั้นภายในใจของเรา เ, เวลามันเกิดแล้วหนาของความหลงขึ้นมันก็เรียกว่ามนโนกรรมเกิดขึ้นมาแทนที่จะเป็นมนโนธรรมจิตใจเป็นธรรมชาติรูนะ้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงจากโกรธเป็นปกตินะเปลี่ยนมาอย่างนี้หนะ่แต่ว่าโกรธมันยิ่งกโกรธยิ่งปรุงยิ่งปรุงก็ยิ่งกโกรธยิ่งกโกรธก็ยิ่งร้อนผ้าเหลืองร้อนกายร้อนใจนนในใจมันสึกซะแล้วนะมันเป็นอย่างนั้น แต่ว่าข้างนอกอยังเดินอยู่ก็โลภหัวตัวเองโอ้นี่มันไม่ใช่นะไม่ใช่ภาพเมื่อกี้นะกําลังปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเนี้นยเนี่ยก็คงจะได้เกิดนะปรากฏการณ์เหล่าเนี้กับทุกๆคนนะ่นแหละเพราะฉะนั้นลักษณะของอารมณ์หยาบๆมันปรากฏขึ้นมามันมีอารมณ์ที่ละเอียดปราณีตไปอีกนะใหม่ๆลักษณะของอารมณ์ไฟลบเกิดขึ้นมาเรียกว่าตํานึกบาต สิ่งไม่ดีทั้งหลายปรากฏขึ้นมาแน่นอนเคยทําให้ดีกับโลกูกทําให้ดีกับใครก็ตามกับพ่อกับแม่จิตสํานึกจะเกิดขึ้นมาจุดนี้นี่แหละพอสักพักหนึ่งจะเกิดอารมณ์บุญขึ้นมาหลังจากที่สํานึกได้จะเกิดลรื่อของความตั้งอกตันใจในการเดินจงกรมในการนั่งสร้างจังหวัมันจะมีอารมณ์ได้อารมณ์ขึ้นมามันจะเริ่มมีจิตสอนจิตขึ้นมา จิตดนะีสอนจิตไม่ดีอย่างงี้ยนะจังสติไปรู้ทันก็เลยไม่ต้องสอนนะเด็กสติจะสอนเองสติจะสอนจิตเองอยงให้จิตใจกลับมาคืนสู่สภาวะปกติไม่ต้องใช้ความคิดอย่างงี้ย น, นะมื่จะเกิดปรากราการณนะ์ทั้งบุญทั้งบาปมันไม่เอาทั้งนั้นนะนะเราเลิกบาปได้สํานึกบุญนะสํานึกบาปอย่างเงี้ยแมวแล้ว กลายเป็นวางทั้งคู่นะคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอามันะมเลยแต่ความรู้สึกตัวล้ว น, ว น, วนเป็นปกติไปเลยๆผมแอบหบลงฐานไปตามสตนะิมันก็กลับมาทันทีเป็นปกติทันทีนะมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนนะสําหรับผู้ปฏิบัติที่สนใจใส่ใจเก็บอารมณ์จริงๆได้เจอตัวเองแน่นอนนะได้เห็นสภาพธรรมต่า ง, างๆที่ปรากฏขึ้นมาแน่นอนแล้วก็จะนะเดินทาง ส่ลักษณะของสภาวะของความเป็นปกติไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเรียกว่าทารู้ที่มันทำงานของมันเองได้คนไกลความเป็นเองตามอัตโนมัติจะแสดงคุณภาพประสิทธิภาพให้เราได้ศรัทธาได้เกิดความเชื่อนะเรื่มใสไม่ใช่คนอื่นบอกแล <c oughs> ้วสภาวะของตัวเองบอกตัวเองเห็นตัวเองโดวยว่าสติปัญญามันบอกเรา <c oughs> ทิศทางของมรรคผลแสสว่างของปัญญาอยู่ตรงนี้ ความเป็นปกติจิตนะมันก็จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมันเป็นจริงนะกรรมฐานนะหรือว่าคำสอนในศาสนานะมันไม่ใช่ของเลื่อนลอยแน่นอนนะแต่ว่าใครทําใครก็รูนะ้อย่างเช่นพระเมื่อเช้านะที่ถ้าเราสภาวาให้ฟังนะท่านทำนะจนกระทั่งมันมีความรู้สึกบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา เข้าใจว่าเออไอการที่มันรู้จืดจืดรู้ซื่อซื่ อ, อ, อแล้วก็การกลับมาสู่ความรูสุกตัวที่ฐานกายเริ่มพูดเป็นเมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะลําดับจะพูดใี่พูดไม่เป็นนะดีอย่างเงี้ยดีแต่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเป็นลักษณะของนะเรียกว่าตาบอดมองเห็นเป็นใบพูดได้เป็นใบพูดได้ดไดตามหมดบอดมองเห็น ก็คือจะเห็นสภาวะที่มันสอดส่องทำธรรมวิญาที่มันเกิดขึ้นมาจากตาในที่มันเตือนตาที่สามที่มันลืมตาขึ้นมาจากตาหยาบหยาบตาเนื้อหยาบหยาบสองตาจากตาหยาบหยาบท้ายสุดมันก็เกิดตาในเริ่มหูเริ่มตาขึ้นมาเราปิดตาเนื้อไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกหาดูหรือว่าทวารทั้งหไม่ส่งไปตาหูจมูกเห็นกายสมองต่างๆคิดนึกปรุงแต่ง กลับมาสัมผัสรู้กระทบความรู้สึกจนกระทั่งมันเกิดนะสภาว่าของสติตาในที่มันตื่นรู้ขึ้นมานะรู้เห็นกายตาความเป็นจริงหรือเรียกว่ารู้เห็นกายในกายก็ได้นะจนกระทั่งมันไม่ใช่สัตว์ตัวตวนบุคคลเราเขานะเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวดุวด่นก้อนตัวหนึ่งความรู้สึกตัวก็ตัวหนึงไอ้สองตัวเนะี่นะมันเห็นจนกระทั่งมันมันรู้แล้วว่าไม่ใช่เรานะการเคลื่อนการไหวก็รู้สึกว่าทําได้แล้วก็สบา ย, บายนะ ความคิดแบบแบบภาพไหวๆถูกรู้เท่ารู้ทันก็ทั่งมันเหมือนกับว่าเห็นเป็นอาการเหมือนกันกายเคลื่อนไหวเห็นเป็นอาการจิตมันเคลื่อนไหวคิดนึกปรุงแต่เห็นเป็นอาการมันไม่ใช่อาการที่เป็นสัมนวนหรือว่าจดจํามาแต่ว่ามันเห็นสภาวะที่ไม่มีชื่อสัมผัสรู้ได้จากฐานภายในใจของเราเรียว่าสติสติมารู้สติสัมผัสใจแน่นอนสติรู้กายเห็นกายตื่นตัว สติเห็นจิตเห็นใจเห็นจิตใจเตือนตัวสติรู้สติอันนี้ก็ยิ่งตื่นนะเดี๋ยวความเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาทีเดียวเขาเรียกวิวปัสสัญญ า, ามันปรากฏออกมาทําถึงก็ถึงนะสติเนี่ยนะทำให้ถึงกันเลยกันต่อเนือเชื่อมโยงนะวันนี้ก็ยังเห็นพระเก็บอารมณ์บางคนก็ยังไปซื้อกาแฟให้ช่างไปซื้อนะกาแฟนะเดเรนะก็เลยบอกว่าช่าง ถ้าพระหรือว่าคนปฏิบัติให้ไปซื้อก็อย่าไปซื้อให้เลยนะนะอย่าไปสนับสนุนนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะานั้นนะท่านจะเข้ากรรมฐานนะท้ายสุดท่านก็ต้องใช้กรรมฐานกาแฟนะมันเสียเวลานะแล้วเราก็เสียเวลาทํางานของเราเดินไปซื้อนะนะให้อยู่กับ ง, งานของเราไปทํางานทําหน้าที่ของเราไปพระทําหน้าที่บินทบาตไปนะเขาให้ก็ได้ไม่ให้ก็อดเนะอาแบบนั้นเลย ก็เรียกว่ามีศักดิ์ศรีผสมกวก ล, ละนะเป็นพระเป็นเจ้านะเราอย่าไม่ใช้ให้คนไปซื้อของนะผมเลอตมาในะเคยมีนิสัยแบบนั้นมาเหมือนกันนะเมื่อเก็บอลรมเข้มในปีแรกนะเราก็ไม่ประีภาษาไม่มีใครบอกเราก็ใช้คนแก่คนหนึ่งลุงชิดเป็นนักปฏิพัติธรรมนะไปซื้ออนมและตะซอยนะกากดื่มวละกลองวลกล่องวลกลองนะมันก็ได้อยู่นะหนึ่งรง ประมาณ240บาทในยุคนั้นปรากฏว่าคนที่เราไปฝากซื้อนะกลับมาพร้อมกับเลือดโชคเลยเอามอเตอร์ไซค์ไปปั้มมาครั้งนั้นก็เลยเข็ดขยะดเลยนะเป็นบาปจริงๆเลยเราใช้คนก็ไปซื้อของนะแล้วก็ท้ายสุดคือกลับมาเลือดโชคเลยม า, าใส่ล้มคว่ำนนะจนนั้นเข้ากรรมฐานไม่ได้แล้วก็แถมมีน้ําใจเดแบกนม1ลังนะไปส่งเราถึงที่นะเรารู้สึกสำนึกเลยเราทําผิดทําพลาด ต่มาเลยเคยลีขยะเลการที่ใช้ใครไปซื้อเอานั่นเอาเนี่ยอนอกจากจะภาวนากันไวจ้จริงๆนะบารคอนะขอที่จะรับผิดชอบดูแลนะกรรมฐานกันอุปติก็คือมีการส่งข้าวส่งน้ำกันนะก็จะมีพระอยู่รูปหนึ่งแต่ตอนนี้ตอนนี้ท่านศึกไปแล้วแต่ํานึกนะมีความกระตันอยู่ต่อคุณของท่านนะยุคหนึ่งปีหนึ่งนะท่านพยายามนะเอาข้าวน้าไปส่งแล้วนะบางทีท่านก็ มันก็แกล้งเราเหมือนกันแหละนะก็คือเอาข้าวเปล่าไปให้แล้วอากลับไปให้บางทีก็มีตะ ก, กลับก็เข้ า, ขากันนน้อ ย, น, อยนะบางทีก็ไปสงสัยมากเลยนะท่านก็สอนอารมณ์เรานั่นแหละบางทีบางวันท่านเอาไปแขวนไว้ก็ไม่บอกเราว่าแขวนไว้ตรงไหนเงีนะ้ยเราก็ไม่ไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ส่งไว้ที่เดิมนะก็แล้วแต่ท่านจะส่งตรงไหนท่านก็ไม่บอกนะเราก็เดินหาอย่างไงี้ก็มีเหมือนกัน จนกระทั่งมันเห็นนะอารมณ์ข้างในของเราบางทีมันก็รออาหารเนะี่มันมีการรอคอยจิตมันก็ไม่ปกติบางวันความหิวมันก็ทําให้โมโหขึ้นไปมันก็เกิดความไม่ปกติบางวันเอาผักไม่ให้เอาน้ําพริกไม่ให้อย่างเงี้ยเราก็อะไรกันอะไรกันเงีนะ้ยก็จิตก็ไม่ปกติตอนหลังพอมันเข้าใจมันก็ขอบคุณทันทีโอ้ทำไมเราเห็นอารมณ์มากมายเหลือเกิน ความโกรธความโลภความหลงอิจาริษยาต่างๆบางทีก็คิดตีความไปก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดหรอพอได้ถามแล้วมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณขอบคุณขอบคุ ณ, คณนะที่นี้ก็ดีแล้วเกินมีแม่กลัวนะหุงหาอาหารแล้วก็จัดโต๊ะไว้ใหนะ้บางทีเอออย่างพระเจ้าก็มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านก็บอกว่าบางทีผมก็เห็นเหมือนกันว่า อีกตัวโหอาหารเยอะแยะไปเลยแล้วก็ตัวของเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะบางทีก็มีไข่ต้ม ป, ป่าบางทีก็มีปลาแข็งขชิ้นเดียวก็จําใจต้องบินบาตแล้วก็เข้าไปชั น, นก็ดีเป็นกันได้เห็นจิตเห็นใจของเราพระมาบินบาตไม่ได้นขนไกวอย่างนี้นนมันก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนเหมือนกันทุกค น, นที่ปัจจัย4ี่ห้าดแปด เรื่อความคิดเก่าๆที่เกิดอะไรขึ้นไหมในอดีตก็ตามมาหลอกมาร้อนแต่ท้ายสุดก็คือครูนี่เองท้ายสุดตัวหลวงท่านเกิดความรู้ขึ้นมาอารมณ์ต่างๆทําให้รู้จักทิศ ท, ทางขอบซ้ายขอบขวาบวกลบสุขทุกข์แล้วก็ทีก่กำคัญก็คือความเป็นปกติรู้ซื่อๆรู้จืดๆไม่หลงไม่ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆนะ นะอันนี้คือความเข้มแข็งที่จิตพัฒนาขึ้นมาดีวันดีขึ้นจากสติทาโลกต่อแตะต่อแตนะก็กลายเป็นเติบใหญ่ขึ้นมานะกลายเป็นหนุ่มชักกันหรือว่าเป็นลักณะของบุรุษนะแล้วก็ท้ายสุดจะพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาบุรุษนะก็เรียกว่ามีการเตือนรู้เต็มที่สติรู้สติก็จะแตกฉานไปนะรู้รูปตามนามทำรู้เรื่องของอุปสรรคหนาะ เห็นพระไตรลักษณ์รู้จักสติศีนสมาธิปัญญานะเห็นรานาของอารมณ์นะทีละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปจนทั้งเห็นนะกามาสะวะัสนดะเห็นพบเห็นชาติเกิดดับในความคิดของเราเารียกภาวาสะวะนะเป็นพบเป็นชาติอย่นั้นนะเห็นอวิชชาสะวะควนะามไม่รู้แล้วก็ชอบนะเผลอเก่งมากๆนะนะจนตั้งมันเหมือนกับว่านะรู้เท่ารู้ทันมีความจานานนะ 4 0วันสามารถที่จะทำได้จริงๆจงจต้องถูกกำหนดไว้เป็นกรรมฐาน4 0่วันในสายงานเพราะว่าเราสามารถเข้าถึงอารมณ์ที่ เ, เห็นปรมาสสภาวะประมาสส ภ, ภาวะคือการรู้สื่ อ, อแล้วก็รู้ได้นานๆจนะทั้งสามารถออกไปใช้ตรงไหนก็เป็นการปฏิบัติทำได้ทั้งหมดจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินก็จะขับถ่ายเช้าสายบ่ายค่ำเวลาไหนก็ตามก็คือเป็นเวลาที่รู้สึกตัว ปัญญาจะสว่างสวยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพะอาทิตย์สว่างกลางวันพระจันทร์สว่างกลางคืนหลอดน n e ันสว่างกลางคืนแต่ว่าปัญญามสว่างสวยทั้งกลางวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นกลางคืนให้นอนแต่ว่าเวลาตื่นขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกตัวต่อไปอย่างนั้นะเอาละวันนี้ก็พูดให้ฟังตามสมควรแก่เวลากลาบพระพร้อมกัน